ทุดงภูก้าวภูพานคําเมื่อหลวงปู่ศีมหาวีโรท่านประพฤติปฏิบัติสําเร็จถึงอุดมธา ร, รมตามความประสงค์ของท่านแล้วได้อริยธรรมชั้นยอดเป็นอภิมหาอุดมมงคลครองใจเเสบริญยมุติสุขแล้วโดยเมตตาอันไม่มีประมาณต่อสัตว์โลกที่ยังได้รับทุกนอนควนครางเรือร้อนวุ่นวายลําบากยากจนเขินใจที่มีอยู่ดาเ ด, ดินเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยกิเลสเกลื่อนแผ่นดินแผ่นฟ้า ท่านจึงเมตตาอนุเคราะห์นำธรรมบัญาัติไปแจกแจกสัตว์โลกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแจกเจ็บตายโดยเฉพาะธรรมนี้เป็นธรรมของจริงธรรมที่ไม่มีวันบกพร่องขาดแคลนธรรมที่สิ้นราค่าตันหาธรรมที่เทวดาและมนุษย์ยอมสิริราชกราบไหว้ในฤดูแล้งหลวงปู่ศรีและศิษย์ติดตามอีกสองรูปได้เดินทุดดงมุ่งตรงไปยังป่าดงใหญ่จุดหมายคือยอดสูงสุดของภูก้าภูผานคํา ในบริเวณภูเก้าภูพานคำมีสถานที่ให้ท่องเที่ยววิเวกมากมายเหมือนตลาดใหญ่แห่งมรคนิพานทีสานุสิทธิผู้ติดตามจะได้ลิ้มรสบ้างเช่นภูชันภูรวกภูหังภูเมยและมีถ้ำอยู่โดยรอบคือถ้ำเสือตกถ้ำมดงามถ้ำพลานไฮถ้ำสามตาถ้ำจันไดถ้ำหามต่างและถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกมากมายเป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับพระ ผู้พิจารณาธรรมในระหว่างทางที่ท่านเดินทุดดงนั้นผ่านบ้านโซก้านเหลืองบ้านเล้าข้าวเข้าป่าอุทยานตาโตนเมื่อถึงบ้านดงบากพระที่ติดตามรูปหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อพุทธาขอลากลับเนื่องจากเดินทางต่อไปไม่ไหวเพราะอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูแลง้งเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนท่านจึงไปกับพระติดตามคือพระอาจารย์ทองอินกะตะปุญโยผ่านบ้านดงบากซึ่งเป็นป่าเขา มีบ้านเพียงสองถึงสามหลังแล้วเดินต่อไปยังบ้านวังมนตำบลโคกม่วงอำเภอนอนสังจังหวัดนองบัวล m p h u ซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่กลางดงมีประมาณสิบหลังคาเรือนท่านและสิทธิ์ได้ยับยัง้งและเข้าพักที่ถ้ำจันไดและต่อไปยังถ้ำหามต่างอันเป็นถ้ำที่ลือชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านในถิ่นแถบนั้นเป็นอย่างยิ่งอันว่าถ้ำหามต่างนี้ มีเรื่องราวมากมายที่หลวงปู่ศรีและพระอาจารย์ทองอินเล่าให้ฟังแต่ผู้เขียนบันทึกลงเพียงส่วนเดียวเพื่อไม่ให้เนื้อความเผือสถานที่แห่งนี้อุดมด้วยธรรมชาติและเทวอารักษ์มีลานหินลาดยาวสุดสายตามีต้นลีลาบดีขนาดใหญ่หลายต้นมีท่านบูชาสแสดงถึงความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีหอยทะเลกลายเป็นหินอายุนับล้านปีติดฝังอยู่ตามโขดหินทรายมีต้นสลักใดชูดอกแดงสลอน อีกคั้งต้นไม้ใหญ่เป็นทิวแถวตามแนวเขาและที่สําคัญคือมีแท่งหินใหญ่อันเสมือนเสาเขื่อนอันมหฮมาสองแท่งรองรับแผ่นหินทรายขนาดใหญ่ที่วางอยู่ด้านบนดังเทพเนรมิตเอาไว้แผ่นหินที่วางอยู่ข้างบนนั้นมีน้ําหนักเป็นร้อยตันมองดูน่าอาัศาจรรย์ยิ่งนักลักษณะที่แท่งหินทรายหามกันอยู่และมีระดับที่ต่างกันนี้เองชาวบ้านจึงเรียกว่าถ้ำหามต่างด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และทัศนิยภาพอันสุดพิเศษนี้เองหลวงปู่ศีจึงหยุดพักอยู่ณที่แห่งนี้เป็นเวลานานกว่าที่อื่นท่านพักอยู่ด้วยวิหารธรรมและดื่มด่ำอำมริตรสอันเป็นทิพย์และโปรโดปรานสัตว์จตุบททวิบาศนพูดผีตลอดจนพวกกายทิพย์ที่มีอยู่มากมายณธรรหามต่างแห่งนี้มีเรื่องราวให้เล่ามากมายทั้งหมดเป็นเรื่องจริงและเหตุการณ์จริงที่ชาวบ้านแห่งนี้ประสบพบเจอและเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน เมื่อก่อนชาวบ้านแถบนี้ไม่มีที่พึ่งจึงนับถือพูดผีบูชาเทวดาปฏิบัติตามบุรพชนคนรุ่นปู่ย่าตายายพาธรรมส่วนคนผู้ไม่นับถือสิ่งเหล่านี้มีอันต้องเป็นไปต่างๆชาวบ้านจึงหันหน้าไปบูชาผีเพื่อความอยู่รอดของตนและครอบครัวโดยสรุปก็คือพวกเขานับถือผีมากกว่านับถือพระสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าผีรู้ดีกว่าพระพระดีหรือไม่ดีผีรู้หมด ฉะนั้นพระกรรมฐาน ร, รูปแล้วรูปเล่าที่กิลและทำยังไม่แกล่งกล้าต้องมาพบจุดจบอันน่าอดสูเช่นมาผูกคอตายที่ต้นดีลาวดีหน้าถ้ำบ้างเป็นบ้าเสียสติไปบ้างพระกรมรมฐานบางรูปบ้าจนถึงขั้นที่ว่าแก่ผ้าวิ่งไล่กอดญาติโยมจากถ้ำหามต่างเข้ามาถึงหมู่บ้านจนชาวบ้านวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงบางรูปมาบิดาบัดบอกให้ชาวบ้านรีบพากันไปที่วัดไปเก็บเอาทองคําธรรมชาติเหลืองอาราม ร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นดินกองพเนินเทินทึกผู้ใหญ่บ้านก็รีพาญาติโยมชาวบ้านหน้าตาตื่นวิ่งขึ้นไปขึ้นไปก็ไม่เจออะไรช่วงหลังอาการบ้าของพระเริ่มหนักบอกว่าตรงนี้เขามีหายเงินตรงนั้นก็มีหายทองเริ่มเลอะเลือนออกทะเลไปเลิเย่ยงเจโฉเดี่ยวขึ้นเรื่อยๆในที่สุดพระรูปนั้นก็ตายไม่เฉพาะพระเท่านั้นแม้หมอผีที่ว่าเก่งกล้าเดินทางมาเพื่อพิสูจน์มาชักชวนคนในหมู่บ้าน ชื่อว่าพ่อใหญ่ใจเพื่อไปขุดหาของดีที่อยู่ใต้เห็นด้านล่างถ้ำพากันขุดลึกมากแต่สุดท้ายตัวเองและลูกสาวก็เป็นบ้ารักษาไม่หายจนกระทั่งทุกวันนี้ส่วนหมอผีก็วิ่งหนีหางจุดตูดวิ่งไปแล้วเห็นแผน่นเห็นกลายเป็นแผ่นน้ำก็พยายามแหวกไห้หัวหางกลางตัวถลอกกอกเฟิกแทบดูไม่ได้ภาษาอีสานเขาเรียกว่าลอยบกคือลอยแบบไม่ต้องมีน้า พอลอยบอกเสร็จแล้วก็ยังวิ่งเข้าป่าเข้าคงดงลึกหายลับไปกับตาหาไม่เจอส่วนเท่าทุกวันนี้ส่วนพระเนนและผู้คนที่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมณที่แห่งนี้เหมือนต้องมนต์ขลังผู้ปฏิบัติ ด, ดีมีศีลธรรมอัน ง, งามก็จะอยู่ดีมีสุขจเจริญในธรรมส่วนพระผู้ไม่ดีศีลธรรมด่างพร้อยจะผ่านพบจุดจบอย่างน่าอ น, นาถและที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นจนชาวบ้านขณะนามหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านวังมน หลวงปู่ศรีท่านเมตตาเล่าเรื่องนี้ไว้ว่าแถบภูเก้าอำเภอโนนสังจังหวัดน้องบัวลำภูผีปูหลุบซึ่งเป็นเจ้าแห่งผีคำว่ า, าผีปูหลุบหมายความว่าผีตาโบดวงตาเท่ากับดวงไฟรถยนต์และตานั้นก็โบเข้าข้างในเขามีอาณาเขตปกครองผีทั้งหมดตั้งแต่ภูเลกล้าถึงภูผานคำเมื่อมีพระกรรมฐานเที่ยวไปในแถบเทือกเขานี้ผีปูหลุบก็มาจะทดลองภูมิจิตภูมิธรร ม, ม, มทันทีณถ้ำห้ำต่างบ้านวางมน พอพระเข้ามาอยู่เขาก็มาทดลองทันทีถ้าจิตเรายังไม่ถึงเขาจะไล่หนีไม่ให้อยู่มีหญิงคนหนึ่งชื่อว่ายายเลิงเป็นร่างทรงของผีปูหลุกผีปูหลุกเมื่อเข้าสิงแล้วร่างทรงมักจะพูดว่าเฮ้ยพระมา อ, อยู่นั่นไม่ใช่พระหรอกผ้าเหลืองผมต่อเฉยๆไล่หนีซะอย่าไปใส่บาตให้มันกินนะร่างทรงใช้วาจาเบียดเบียนพระอย่างนี้บ่อยๆพระบางองค์ไม่ได้ฉันข้าวพระบางองค์ถูกไล่หนีเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ บางองค์ถูกยายเลงที่ผีปูหลุบเข้าเสียงออกปากจะติจะต่อยพระดีหรือไม่ดีผีเขารู้จิตใจหมดเราต้องเอาพลังจิตเข้าสู้ถ้าเรามีพลังจิตจะมาแบบไหนไม่ต้องกลัวพอพระเจะเศเมื่อไหร่ร่างทรงจะเทศตอนทันทีพระเทศภาษาบาลีเขาก็แปลได้ทันทีพระเทศสู้เขาไม่ได้สักทีพวกพระจึงมาอ้อนวอนเราว่าครูบาอาจารย์ครับช่วยหน่อยเถิ จะเทศชีไรเขาเทศก่อนทุกทีตลอดพรรษาไม่ได้เทศสักทีอีกองค์หนึ่งสิบเ็ดพรรษาก็เทศไม่ได้เขาเทศก่อนทุกทีเราก็เลยว่าเออแบบนี้อยากเจอเหมือนกันพอถึงวันพระมีคนมามากพอฉันจังหันแล้วเราก็เทศทรมานหนักๆเลยเมื่อเทศเสร็จเราจึงถามยายเลิงซึ่งเป็นร่างทรงผีปูหุบว่าอาตมานี้กิตใจเป็นยังไงบ้างแจกก็บอกว่าองค์ที่นั่งอยู่นี่ดีมาก สมบูรณ์พรมผลไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรก็ได้อยากได้เงินได้ทองให้เงินให้ทองทุกอย่างได้หมดถ้าอยากได้ฉันจะบอกวิธีให้เราก็บอกไปว่าทรัพย์ในเดินสินในน้ำซึ่งเป็นสมบัตินอกกายเหล่านั้นเราไม่ปราถนาหอกเพราะเรามีทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าทรงอบรมสั่งสอนซึ่งเป็นของที่ดีกว่าเลิศกว่าประเสริฐกว่าโจรมาที่ไหน ก็มาขโมยลักเอาไปไม่ได้ไม่ต้องคุณหลุมฝังซุกซ่อนหรือฝากธนาคารเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่อย่างนั้นคนที่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์รวยสมบัติคือความดีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่จนตรอกไม่มีจนส่วนคนที่ถือมั่นยึดมั่นบ้าสมบัติว่านั่นก็ของของเรานั่นก็สมบัติเข้าของเงินทองลูกเมียวัวควายที่ดินไร่นากาไกา่อะไรๆในโลกนี้ทั้งหมดทั้งที่เป็นของตน และทั้งที่ไม่ใช่ของตนก็ตัวเอาว่าเป็นของของเราใจมันร้องอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาโยมเอย๋ยอย่าว่าแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของของเราเลยร่างกายของเราแท้ๆมันยังไม่ใช่ของของเราสุดท้ายก็จำต้องทิ้งเป็นเท่าฐานไปด้วยกันทั้งนั้นกุศลธรรมคือความดีต่างหากที่เป็นที่พึ่งที่ถาวรแก่เราได้อย่างอื่นหลอกลวงต้มตุนเราให้เปลืองตัวเสียเวลาทั้งนั้น นอนเพ้อนอนฝันบ้าบออยู่ในมอนรกทั้งนั้นแหละโยมสําหรับพระแล้วจะเคลื่อนที่สมบัติเงินทองเข้าของที่เป็นสมบัติของแผ่นดินไปไม่ได้มันผิดพระธรรมินัยท่านปรับเป็นอาบัติเมื่อยายเลิงได้ฟังพระธรรมเทศนาตั้งแต่สามโมงเช้าจนกระทั่งตะวันยอแสงใจยอมสยบในธรรมแจ้ลุกขึ้นนั่งท่าเทพพนมกราบแล้วกราบเล่ากราบไปมือข้างหนึ่งก็ปาดน้ําตาที่นองหน้าไปร้องห้ซิกซิก แล้วก็เป็นผู้สงบส ง, งียมนั่งนิ่งเหมือนสัตว์ ร, ร้ายถูกท ร, รมานให้หายพยศแถมยังถูกฝึกให้ใช้งานได้ตามใจปรารถนามันจะน่าดูและน่าสงสารสักปานใดคนทั้งหลายเห็นแจ่นั่งนิ่งนานทองนานไม่กระดุกกระดิกเหมือนต่อไม้ที่ตายแล้วต่างพาการหามแจ่ลงจากภูเขากลับบ้านตั้งแต่นั้นมายายเลิมมาศึกษาธรรมกับเราทุกๆวันพระมาศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจและแจรู้เรื่องจิตใจของคนอื่นหมด พระองค์ไหนจิตใจเป็นอย่างไรแจรู้หมดหลังจากนั้นคนละแวกนั้นจึงเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเปลียนจากหน้ามือเป็นหลังมือรู้จักทําบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่ก่อนพระไปบินธ บ, บาะได้แต่ข้าวเปล่าๆแต่มาบัดนี้บางวันก็ได้กล้วยลูกหนึ่งบ้างได้ปลาร้าห่อหมกบ้างได้ห่อหมกเขียดตะปาบบ้างได้น้ําพริกแจ่วบ้างสําหรับพระทุดดงขกรรมฐานอาหารการฉันเพียงแค่นี้ ก็ถือว่าบริบูรณ์มากแล้วในสายตาของธรรมบริเวณถ้ำหามต่างในสมัยนั้นช้างยังมีอยู่มากช้างมักจะมาเล่นน้ำเวลาพระจะใช้น้ำก็ต้องรอจนน้ำใสบางทีฉันข้าวต้องปีนขึ้นไปฉันอยู่บนก้อนหินเพราะว่าช้างมันมาก่อกวนเราได้พักอยู่ที่ปูเก้านี้เป็นเวลาสองเดือนกว่า